วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่สาธุชนพุทธบริสัตว์มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อ จะได้รับประโยชน์จากการฟังเทศฟังธรรมซึ่งมีประโยชน์ได้สองอย่างด้วยกันคือฟังแล้วจะเกิดความเข้าใจเกิดความรู้เกิดปัญญาอีกทางหนึ่งอีกผลอีกอย่างหนึ่งที่จะได้ก็คือถ้าฟังแล้วไม่ได้คิดตามฟังเสียงไปเรื่อยๆ เราฟังเสียงนกเสียงกาเราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่เราใช้เสียงนั้นเป็นเครื่องกล่อมอารมณ์ให้ใจของเราเข้าสู่ความสงบได้นี่ว่านั่งเพื่อให้ได้ความสงบมีสองทางด้วยกันถ้าเรานั่งแล้วเราสามารถคิดตามได้พิจารณาเรื่องราวที่กําลังพูดอยู่นี้ให้เกิดความเข้าใจขึ้นมา อ เ, เกิดความเข้าใจก็จะเกิดความรู้เกิดความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าปัญญาฉนั้นการฟังธรรมนี้มีสองวิธีด้วยกันฟังแล้วให้พิจารณาตามสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เราก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ความฉลาดถ้าเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจเราแต่เรายังฟังไปเรื่อยๆคือใช้เสียงของธรรมนี้เป็นเครื่องเกาะใจผูกใจไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เป็นสมาธิได้ การฟังธรรมจึงเป็นได้สองลักษณะฟังเพื่อปัญญาหรือฟังเพื่อสมาธิแล้วแต่วิธีที่เราฟังเราจะฟังแบบไหนถ้าเราคิดได้คิดตามได้เราก็จะได้ปัญญาถ้าเราคิดตามไม่ได้เราไม่เข้าใจแต่เราก็ฟังไปเรื่อยๆไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะได้สมาธิได้ความสงบ แล้วก็เวลาที่เราฟังนี้เราไม่ต้องใช้อารมณ์อย่างอื่นเช่นคำบิกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกไม่จำเป็นต้องใช้ไม่ควรจะใช้พอใช้แล้วมันทำให้ใจมีหลายเรื่องเข้ามาเอาเรื่องเดียวเรื่องทางปัญญาหรือเรื่องทางสมาธิเรื่องของความสงบ อย่าเอาพุโทโธในขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปเราก็จะไม่รู้เรื่องว่าเรากำลังฟังอะไรและบางทีเสียงธรรมกับการบริกรรมพุโทโธมันก็อาจจะมาชนกันก็ได้หรือว่าดูลมหายใจไปเราก็จะไม่เข้าใจธรรมที่เราได้ยินได้ฟัง แล้เสียงธรรมก็อาจจะมาลบควรการดูลมหายใจของเราก็ได้ดังนั้นเวลาฟังเทศฟังธรรมจึงไม่ต้องใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือใช้การดูลมหายใจเข้าออกแต่อย่างใดใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนเสียงธรรมที่เราฟังแล้วเราคิดตามได้จนเกิดความเข้าใจขึ้นมาได้เราก็จะได้ปัญญา ถ้าเราฟังแล้วเราคิดตามไม่ได้แต่เราใช้เสียงธรรมเป็นเครื่องเกาะเกาะใจไม่ให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าใจเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมได้อย่างต่อเนื่องใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้นี่คือวิธีหลักๆของการฟังเทศฟังธรรมแต่สิ่งที่เราต้องการจากการฟังเทศฟังธรรมนี้ โดยหลักแล้วเราต้องการปัญญาเราต้องการความรู้ความฉลาดและถ้าเราได้ปัญญาเราก็จะได้ความสงบไปพร้อมๆกันด้วยเพราะปัญญาจะทำให้ใจนี้ไม่ฟุ้งซ่านจะทำให้ใจสงบทำให้ใจเย็นดังนั้นเวลาฟังพยายามฟังแล้วคิดตามเพื่อให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือถ้าสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเราฟังซ้ําขึ้นบ่อยๆซําฟังหลายๆครั้งซ้ํากันไปซ้ํากันมามันก็จะทําให้เราเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับได้แล้วก็จะช่วยกําจัดความลังเลสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับธรรม ต, ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ mm hmm. เช่นวันนี้ mm hmm. เราก็จะมาฟังธรรมที่เกี่ยวกับชีวิตของเรา mm hmm. คือส่วนประกอบของชีวิตของเรานี้คืออะไร mm hmm. ส่วนประกอบของเราก็คือร่างกายและจิตใจร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละคนกันไม่ใช่อยู่ ไม่ใช่คนเดียวกันเหมือนกับสามีภรรยาเป็นคนละคนกันแต่มาอยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกันเพื่อมาทําภารกิจร่วมกันร่างกายนี้มีความสามารถอยู่ห้าประการคือสามารถรับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกเน้นกายได้แต่ร่างกายนี้ไม่รู้ว่า สิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นอะไรเวลาตาเห็นรูปตาไม่รู้ว่าเห็นอะไรเวลาตาได้ยินเวลาหูได้ยินเสียงหูจะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงอะไรเช่นเดียวกับลิ้นกับจมูกกับร่างกายเวลาสัมผัสกับสิ่งต่างๆจะไม่รู้ว่าตอนนี้สัมผัสอะไร พอในตัวร่างกายนี้ไม่มีความสามารถที่จะรู้อะไรได้ตัวของร่างกายนี้ทํามาจากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ํำธาตุลมและธาตุไฟที่เวลามารวมตัวกันแล้วก็จะปรากฏเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมาเช่นมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกและมีอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย ทั้งหมดนะของร่างกายนี้มันไม่มีความรับรู้อวัยวะทุกชิ้นมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรว่ามันเจ็บหรือไม่เจ็บมันไม่รู้สิ่งที่รู้ก็คือใจใจนี้คือธาตรู้ที่มามาเชื่อมกับร่างกายทางตาหูจมูกทิ้งกาย ด้วยการส่งกระแสการรับรู้จากใจเข้ามาที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระแสที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสปวดภทพะนี้เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางร่างกายตัวที่รู้สิ่งที่ร่างกายรับเข้ามานี้คือใจ เวลาตาเห็นภาพนี้ร่างกายไม่รู้ว่าเห็นอะไรแต่ผู้ที่รู้ผู้ให้เห็นนี้คือใจใจนี้มีความสามารถอยู่สี่ประการด้วยกันอย่างข้อที่หนึ่งก็คือสามารถส่งกระแสวิญญาณไปเกาะติดอยู่กับตาหูจมูกนิ้นกายได้<ม>เพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกาย คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะที่เข้ามาอันนี้ความสามารถของใจอันแรกอันที่สองก็คือเมื่อเมื่อรับรูปเสียงกลธธิ่นรสโผฏฐพะเข้ามาแล้วก็มีความสามารถที่จะระลึกรู้จำได้หมายรู้เรียกว่าสัญญาความสามารถอันที่สองต่อจากวิญญาณ พอวิญญาณรับรูปเสียงกลิ่นรถโผฏฐัพพะมาให้ใจสัญญาก็จะมาทำหน้าที่ดูว่าเคยเห็นภาพเหล่านี้หรือไม่เคยได้ยินเสียงเสียงเหล่านี้หรือไม่ถ้าได้ยินถ้าเคยแล้วก็จะจำได้ความสามารถที่จะจาได้เช่นเวลาเราเคยเห็นใครมาก่อนพอเราเห็นเขาอีกครั้งหนึ่งเราก็จะจำได้ว่าเอ๋อเคยเห็นมาแล้วควนนี้ เรียกว่าความจําถ้าไม่เคยเห็นมาก่อนก็ไม่มีความจําเกี่ยวกับรูปนี้ภาพนี้แต่ก็มีความสามารถรับรู้ภาพนี้ได้ว่าเป็นภาพอะไรเป็นภาพอของผู้ชายผู้หญิงหรืออะไรต่างๆที่ใจจะไปกําหนดให้ให้เป็นการรับรู้ว่าเห็นภาพของผู้ชายเห็นภาพของผู้หญิงได้ยินเสียงของ ผู้ชายด้ิยเสียงของผู้ผู้หญิงแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะไม่มีสัญญาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคนคนนี้บุคคลคนนี้แต่ก็ยังสามารถรับรู้รูปได้ว่ารู้ว่ารูปนี้เป็นอะไรรู้ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือเป็นเป็นแมวเป็นสุนัขอะไรเป็นต้นถ้าได้รับการให้ข้อมูลมาล่วงหน้าก่อน ถ้าไม่มีการให้ข้อมูลมาลงหน้าก็รู้นเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรต้องรองให้คนที่เขารู้มาบอกก่อนว่าภาพที่เห็นนี่คือภาพของผู้ชายภาพของผู้หญิงเสียงเสียงของผู้ชายเสียงของผู้หญิงเป็นต้นใจก็จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เขามาทางตางหูจมูกนิ้นกายผ่านสัญญาความสามารถที่จะเรียนรู้ หรือที่จะจำได้สิ่งที่ได้เรียนรู้ว่าเป็นอะไรแล้วพอเกิดความรับรู้แล้วว่ารู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายหรือว่ารู้ว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูบางคนก็อาจจะเป็นมิตรกับเราบางคนก็อาจจะเป็นศัตรูกับเราพอรู้ว่าเป็นมิตรก็จะเกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาอันนี้เป็นความสามารถอันที่อันที่สาม คือการมีความรู้สึกเวลาเห็นภาพที่ดีก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีเรียกว่าสุ ข, ขเวทนา <c oughs> เวลาเห็นภาพที่ไม่ดีก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา <c oughs> คือความไม่สบายใจเกิดขึ้นมาทุกขเวทนา <c oughs> แล้วเมื่อได้รับรู้ว่าภาพหรือเสียงที่เราได้รับรู้มานี้เป็นภาพที่ดีหรือไม่ดีเรา ใจก็มีความสามารถอีกอันนึงคือสามารถคิดคิดตรุงแต่งได้เรียกว่าสังขารคิดว่าจะควรจะทาอะไรกับบุคคล น, นี้หรือเสียงนี้จะควรที่จะหลบไปไม่พบกันหรือควรที่จะไปพบปะทักทายกันอันนี้คือหน้าที่ของสังขารความคิดตรงแต่งอัน ความสามารถสีอย่างนี้อยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวลาที่ใจกับร่างกายแยกออกจากกันคือไม่ได้ไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันนี้ร่างกายก็จะเป็นเหมือนคนนอนหลับนึอนคนตายะจะนอนอยู่เฉยไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเพรา ะ, ะ, ะผู้ที่รับรู้ไม่ได้อยู่ ไม่ได้เกาะติดอยู่กับร่างกายแล้วเื่อเวลาเรานอ น, นอนหลับนี่ใจจะถอนออกจากร่างกายชั่วคราวเถอนออกจากทางตาหูจมูกมือกายแล้วก็ไปอยู่ในโลกพลิกใจนี่อยู่คนละโลกกับร่างกายร่างกายอยู่ในโลกธาตุโลกที่มีธาตุสี่ดินน้ําลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกของร่างกายนี้ เช่นต้นไม้ใบหญ้าสิ่งต่างๆล้วนทํามาจากาธาตุทั้งสี่นั้นหรือาธาตุใดาธาตุหนึ่งบางทีก็เป็นาธาตุน้ําล้วนๆเช่นน้ําในแม่น้ําลำคลองนี้ก็มีแต่าธาตุน้ําล้วนๆอาจจะมีาธาตุดินผสมอยู่บ้าง<ม>เพราะอาจจะมีมีโครมีอะไรขุนขึ้นมาประสมกับน้ําขึ้นมาแต่ถ้าเป็นน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ก็จะไม่มีาธาตุอื่นเข้ามาผสม นีแต่ธาตุน้ำนอกจากว่าธาตุไฟก็อาจจะมีมาส่วนได้ถ้าเป็นน้ำร้อนน้ำาร้อนก็จะมีธาตุไฟเข้ามาผสมด้วยแต่ถ้าเป็นน้ำเย็นมันก็จะมีธาตุไฟน้อยหรือไม่มีเลยก็ได้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่จะประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้บางาธาตุก็ได้หรือบางทีก็ไม่มีบางทีก็แยกเป็นาธาตุธาไปาธาตุดินก็เป็นดินล้วนๆไปาธาตุลมก็เป็นลมล้วนๆไปาธาตุไฟก็เป็นไฟล้วนๆไปแต่ธาตุทั้งสีนี้เขามักจากเข้ามาผสมกันมามาเจอกันแล้วมาผสมกันทําให้เกิดมีมีสิ่งที่จเจริญเติบโตได้ มันมีต้นไม้มีดอกไม้มีใบหญ้ามีอะไรต่างๆมันเกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็ทั้งหมดนี้ที่เราพูดถึงนี้เวลามารวมกันคือร่างกายกับจิตใจเวลามารวมกันเราก็เรียกว่าขันห้าเพราะว่ามีอาการห้าห้าอาการ มาทำงานร่วมกันรูปประขันขันที่หนึ่งก็คือรูปประขันก็คือร่างกายส่วนที่สองถึงหนี้เป็นส่วนที่เป็นมาจากจิตใจที่เป็นนามธรรมา ท, ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาหรือเราไม่สามารถรับรู้ได้ผ่านทางส่วนอวัยวะของร่างกาย เป็นสิ่งที่ต้องสัมผัส ร, รับรู้ด้วยใจโดยตรงคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่งและวิญญาณคือการรับรู้ลูกเสียงกินรอดโผฏฐัพพะอันนี้คือองค์ประกอบของชีวิตของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน สารเดลอาชานเขาก็มีขันห้าเหมือนมนุษย์ศาสรเดลอาชานเขาก็มีรูปประขันก็คือร่างกาย mm hmm. เขาก็มีความรู้สึกนึกคิด mm hmm. เขามีเวทนามีสัญญามีสังขารและมีวิญญาณที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทางผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายได้ mm hmm. ทีนี้สิ่งที่เราควรจะรู้ต่อไปก็คือว่า พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้ว่าอาการทั้งห้านี้มันเป็นสภาวะธรรมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนกับฝนตกแดดออกเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นทางธรรมชาติฟ้าร้องฟ้าแบลบฝนตกหิมะตกหรืออะไรต่างๆอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันไม่มีใครเป็นผู้ที่มาสั่งให้ ป biraz, ้าแลบไม่มีใครมาสั like mm ่งให้ฟ้าร้องไม่มีใครมาสั่งให้ฝนตกเช่นเดียวกันกับร่างกายก็ไม่มีใครมาสั่งให้มันมารวมตัวกันด้วยธาตุสี่ไม่มีใครไปสั่งไม่มีใครไปเรียกธาตุสี่มาให้มันมารวมกันมันก็มาจากธาตุสีของพ่อของแม่ที่มารวมตัวกันด้วยความรักพ่อแม่มีความรักกันพ่อแม่ก็มารวมตัวกันพอรวมตัวกันพ่อแม่ก็ เอาเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่ก็คือธาตุสี่ของพ่อกับของแม่มามารวมกันบ้างผสมกันแล้วพอผสมแล้วก็จะทําให้เกิดร่างกายของทารกขึ้นมาช่วงที่มีการผสมช่วงที่มีการก่อตัวของทารกก็จะมีธาตุธาตุรู้มาร่วมร่วมกิจกรรมด้วยมาเกาะติดที่ร่างกายของทารก อันนี้คือการการมารวมตัวของขันห้าขันห้าอันใหม่นี้ยังไม่มีไม่มีนามะขันมีแต่รูปประขันคือที่ได้มาจากพ่อจากแม่มาผสมกันพอผสมกันเป็นรูปขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นรูปร่างขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะมีถ้ารู้มายึดมาติดมาเชื่อมต่อ ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายของทาตุรูปทันทีก็ทําให้มีการปฏิสนธิมีการเจริญเติบโตของร่างกายขึ้นมาตามลําดับจนเมื่อถึงเวลาก็คลอดออกมาจากท้องแม่ร่างกายพร้อมกับธาตุรู้แต่ธาตุรู้ไม่ได้อยู่ในท้องแม่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ธาตุรู้อยู่ในโลกทิพย์ แต่สามารถส่งกระแสะการรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณมาเชื่อมต่อกับกับร่างกายได้ก็เหมือนกับสมัยนี้เราสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยการใช้ใช้โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือนี่ก็เขาก็เชื่อมต่อกันด้วยสัญญาณวิทยุเราอยากจะติดต่อกับใครเราก็รู้ เลขของเขาว่าเลขอะไรเราก็กดเลขนั้นไปแล้วโทรศพก็จะทําหน้าที่แปลงเป็นสัญญาณวิทยุเพื่อส่งไปที่เครื่องที่เราต้องการจะติดต่อเราไม่ได้อยู่ที่เดียวกันคนหนึงอาจจะอยู่ที่นี่อีกคนอาจจะอยู่ที่กรุงเทพแต่สามารถติดต่อกันคุยกันได้สั่งงานกันสั่งงานสั่งการกันได้ฉันใดใจกับร่างกายก็เป็นแบบเดียวกัน ใจนี้สามารถติดต่อกับร่างกายได้ผ่านทางกระแสของวิญญาณที่ไปเชื่อมต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้วกายแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดตามมามีความรับรู้แล้วก็มีความรับรู้แล้วก็มีความจําได้หมายรู้ว่าเป็นภาพอะไรดีหรือไม่ดี พอรู้ว่ดีหรือไม่ดีก็เกิดเวทนาความรู้สึกสุขหรือทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งคิดว่าคนจะทําอะไรกับรูปที่เห็นนี่ดีถ้าเราไม่ชอบทุกขเวทนาเราก็ต้องพยายามหาวิธีไม่ให้มันเกิดขึ้นถ้าเห็นรูปนี้ทําให้เกิดทุกขเวทนาก็เปลี่ยนไปดูรูปอื่นแทนอย่าดูรูปนี้พอไม่ได้ดูรูปนี้ทุกขเวทนาก็จะไม่เกิด ทั้งหมดทั้งหลายนี้การเคลื่อนไหวการปรากฏการเหล่านี้ไม่มีใครมาเป็นผู้กากับไม่มีตัวตนพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องของภาวะทางธรรมชาติที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีปฏิสัมพันธ์มีสิ่งนี้แล้วก็ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาพอาเกิดสิ่งนี้ก็ทำให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นมามันก็มันก็วนไปเวียนมาอย่างนี้ในโลกนี้ทั้งโลก โลกของร่างกายก็มีการปฏิสัมพันธ์กันมีสิ่งนี้ก็ทําให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาพอมีสิ่งนั้นก็ทําให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเช่นมีน้ําทะเลเวลามีความร้อนน้ําก็ระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าเกาะตัวเป็นเมฆขึ้นมาแล้วพอมีเมฆหนักๆเข้าเมฆก็จะตกลงมาเป็นน้าเป็นน้ําฝนขึ้นมา ปรากฏการเหล่านี้ไม่มีใครเป็นผู้กำกับมันเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ปฏิกิริยาของของแต่ละอย่างต่ออีกอย่างหนึ่งไปกระตุ้นให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมามีอย่างนี้เข้าไปกระตุ้นให้เกิดอย่างนั้นพอมีอย่างนั้นเข้าไปกระตุ้นให้เกิดอย่างโน้นขึ้นมาคือสรุปก็คือไม่มีใครอยู่เบื้องหลังการการเกิดขึ้นการการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง มันเป็นไปเพราะมีเหตุมีปัจจัยที่ที่มีมากระทบต่อสิ่งต่างๆร่างกายเราก็เหมือนกันไม่มีตัวตนไม่มีเราเราไม่มีเราไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่เชื่อลองค้นหาดูลองค้นดูว่าร่างกายเรามีอะไรบ้างเราก็จะเห็นว่ามันมีแค่อาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันถ้าเราเราลองไล่ไปดูแต่ละอาการดูิว่า มันเป็นตัวเราที่ตรงไหนขนเป็นตัวเราหรือเปล่าผมเป็นตัวเราหรือเปล่าเวลาเราโกนผมไปแล้วเราหายไปกับผมหรือเปล่า<อ>ถ้าผมเป็นเราเราเป็นผมเวลาโกนผมไปผมมันก็ต้องหายไปด้วยแต่ผมมันก็ไม่หายเราก็ไม่หายเพราะเรามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่ใจเป็นความเข้าใจผิด<อ>เป็นความจำผิด ไม่ทราบใครมาสอนให้เราจําว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นท้องเราัน่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวใจเองนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาแล้วพอใจมามาเชื่อมติดกับร่างกายก็เลยคิดว่าร่างกายเป็นเป็นใจไปนทนั้นี้ใจเลยคิดว่าร่างกายเป็นใจใจก็เลยมีความรู้สึกหวงแหนร่างกายขึ้นมา เพราะต้องการที่จะมีใช้ร่างกายไปให้ได้นานที่สุดเพราะถ้าไม่มีร่างกายใจก็จะไม่มีวิธีที่จะหาความสุขได้ชีวิตของพวกเราทุกคนนี้เราหาความสุขผ่า น, านร่างกายกันผ่านตาหูจมูกมือกายมันก็เลยทำให้เรามีความรักมีความหวงแหนแล้วก็มีความคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราขึ้นมา แล้วพอเกิดอะไรขึ้นมากับร่างกายมันก็เลยทำให้เราทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราเข้าใจว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราเหมือนกับเราเข้าใจรู้ว่าร่างกายของคนอื่นไม่ใช่ตัวเราร่างกายของคนอื่นจะเป็นอะไรนี่เราไม่ทุกข์กับเขาเราไม่หวงเราไม่รักนอกจากคนที่เราไปได้มาเป็นคู่ครองของเราหรือเป็นลูกเป็นอะไรของเราเราก็ไปรักไปหวง แต่ถ้าคนอื่นที่เราไม่รู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เวลาเราเห็นเขาเราก็จะรู้เราก็จะรู้ว่าเขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาแต่ความจริงร่างกายของเราที่มีอยู่นี้มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใจแต่ใจก็ไปหลงคิดว่าเป็นเป็นเราเป็นของเราความหลงนี่แหละที่ทําให้ใจไปไปทุบ ก, กับร่างกายไปทุบ ก, กับความเป็นไปของร่างกาย เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายจะตายนี้ mm. ใจก็จะทุกข์มาก mm. เพราะไปหลงคิดว่าใจเป็นตัวเราเป็นของร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเรา mm. แต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเหมือนกับเรารู้ว่าร่างกายของคนอื่นไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี้เวลาเป็นอะไรไปเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรรู้สึกเฉยเฉย หรือว่าถ้าเรามีความรักความผูกพันกับเขาลราก็อาจจะรู้สึกเศร้าใจบ้างเสียใจบ้างแต่ก็ไม่ถึงทุกทุกหนักมากเหมือนกับคนที่ไปหลงคิดว่าร่างกายมิ้เป็นตัวของเขาเองอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตัดสั้ทรงค้นพบเรื่องของร่างกายและจิตใจที่ทำให้ใจของเราต้องมาทุกข์กับเรื่องของร่างกายและจิตใจอ ย, อยู่เรื่อย เพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติคําว่าการปรากฏการทางธรรมชาตินี้ก็มีความหมายว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อํานาจของเราที่เราจะไปสั่งมันได้เช่น mm hmm. ร่างกายนี้มันต้องเป็นไปตามปรากฏการของมันหรือเมื่อมันเกิดแล้วมันก็จเจริญเติบโตไปตามเรื่องของมันแล้วพอมันจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันก็เริ่มเข้าสู่ความชรา แล้วก็พอมีความชราก็จะมีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆปรากฏขึ้นมาแล้วในที่สุดมันก็จะหยุดทำงานหยุดลมลมหายใจพอลมหายใจไม่ไม่ทำงานแล้วร่างกายก็ยุติลงพอยุติลงถ้าปล่อยไว้ทิ้งไว้เฉยๆธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัวกันก็จะแยกออกจากกันธาตุแรกที่ไปก็คือธาตุลม ตามด้วยธาตุไฟร่างกายก็จะเริ่มเย็นลงต่อมาถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะธาตุน้ำก็จะแยกออกจากร่างกายแล้วทิ้งไปงนานๆร่างกายก็จะแห้งกรอบกระพรูกายเป็นดินไป ม, มันเป็นขบวนการของของธรรมชาติที่ไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้มไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นใหญ่เป็นโตจะเก่งขนาดไหนก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะมามามายุ่งเกี่ยวกับขบวนการของธรรมชาติได้เหมือนกับเราไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับการการขึ้นขึ้นหรือลงขึ้นหรือตกของพระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์ถึงเวลามันก็ขึ้นขึ้นมาถึงเวลามันก็มันก็ตกดินไปหรือปรากฏการทางธรรมชาติอื่นๆเช่น ผลฟ้าอากาศนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปไปไปเปลี่ยนแปลงมันได้ไปสั่งมันได้ฝนมันจะตกแดดจะออกมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่มาทำให้มันตกให้มันออก <S 1> <S 1> <S 1> นั่นนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปเดือดร้อนไม่ไปทุกข์กับปรากฏการณ์ของเขาเช่นร่างกายของเรานี่ มันจะต้องไปตามตามเวลาของมันจากเด็กก็ขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็ขึ้นไปเป็นคนแก่จากคนแก่ก็เป็นคนเจ็บจากคนเจ็บก็เป็นคนตายถ้าเรารู้แล้วเรารู้ว่าเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่ใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตาย เราก็เพียงแต่สอนใจให้รับนู้นเฉยๆให้ปล่อยวางอย่าระยธดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความอยากนี้มันจะมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจถ้าไม่มีความอยากถ้าปล่อยให้ร่างกายแก่ปล่อยให้ร่างกายเจ็บปล่อยให้ร่างกายตายไปใจก็จะไม่มีความทุกข์ แต่ก็ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้มันก็แก่เจ็บตายไปแราจะแก่เจ็บตายแบบทุกข์หรือไม่ทุกข์เท่านั้นเองสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องของความเป็นธรรมชาติของร่างกายของขันห้าของขันห้าของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็จะเข้าใจว่าวิญญาณเราก็ไปควบคุมสั่งให้มันไปรับแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่ดีอย่างเดียวไม่ได้ เพราะว่าในโลกของรูปเสียงขิุ่นมันก็มีรูปเสียงขิุรนที่ดีดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เวลาตาไปรับรูปเสียงขิุ่นมามันก็เลือกไม่ได้มันก็พยายามเลือกบางทีก็เลือกได้แต่ส่วนใหญ่บางทีมันก็เลือกไม่ได้พอมันเลือกไม่ได้มันก็ต้องก็ต้องอยู่กับมันไปมันเป็นปรากฏการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนี้มันเป็นเรื่องของ ของเรื่องของของสิ่งต่างๆที่มามีความสัมพันธ์กันนี้มีปฏิกิริยาต่อกันทําให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงไปรูปจากที่ดีก็กลายเป็นรูปที่ไม่ดีได้เสียงที่ดีก็กลายเป็นเสียงที่ไม่ดีได้สิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคำว่าการเปลี่ยนไปนี้ท่านเรียกว่าอนิจจันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ส่วนอนัตตาก็คือเราไม่สามารถไปควบคุมมังครับให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันเป็นไปบางทีมันก็ไปทางที่ดีบางทีมันก็ไปทางที่ไม่ดีที่ปัญหาของเราก็คือเราอยากจะได้แต่ของดีเราไม่ต้องการของไม่ดีพอเราไปเจอของไม่ดีเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาอันนี้คือ ความทุกขของเราเกิดจากการไม่เข้าใจสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ใจไม่ไม่สามารถไปกาหนดไปสั่งให้มันเป็นไปในทิศทางที่ที่ใจต้องการได้ใจต้องมาปรับใจตัวเองปรับใจรับกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใจ มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนร่างกายไม่มีตัวตนความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในใจเหล่านี้ก็ไม่มีตัวตนเวลามันจะนึกเรื่องอะไรมันทีมันก็นึกไปโดยที่เราไม่อยากจะให้มันนึกมันก็นึกได้เรื่องที่เราอยากจะให้มันนึกมันก็ไม่นึกก็มีมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่มากระทบทําให้มันทําไปให้ทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไป น, นี่คือเรื่องของขันห้าที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตของพวกเราที่เราควรจะมาทำความเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และพยายามตับใจให้ให้รับมันตามสภาพของมันให้ได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเลือกได้ร่างกายเราไม่สามารถจะเลือกให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดได้มันต้องเป็นไปตามวาระของมัน ความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันเราก็จะสุขเวทนาบางวันเราก็จะทุกขเวทนาบางวันเราก็เจอไม่สุข <c ute> ไม่ทุกขเวทนาหรือภายในวันเดียวกันนี้เราอาจจะเจอทั้งสุขเวทนาแล้วก็ไปเจอทุกขเว <c ute> ทนาแล้วก็ไปเจอไม่สุขไม่ทุกขเวทนาได้ขึ้นอยู่กับว่าเราไปสัมผัส ร, ร, รับรู้อะไร <c ute> ถ้าไปสัมผัสรับรู้รูปเสียงจิ่นตที่ดีเราก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมา ถ้าไปสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดสะพัดที่ไม่ดีเราก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาได้แล้วเราก็ห้ามไม่ได้ไเวลามันจะมันจะเกิดถ้าอยากจะห้ามก็ต้องปิดทวารทั้งห้าเสียเ <ok> ช่นไปเข้านั่งสมาธิแทนอันนี้เป็นวิธีการอย่างหนึหน่ง <ok> ที่จะทำให้เรานี้ <ok> ไม่ต้องทุกข์กับกรูปเสียงกลภภิ <ok> ่นรสผดสะพัดคือให้เราหัน ดึงใจกลับเข้าข้างในอย่าออกไปรับรู้ลูกเสียงกิ่นรสผุดถาเวลาเราทําใจให้สงบเราดึงใจของเราดึงกระแสวิญ ญ, ญาณออกจากตาหูจมูกนิ้วกายเว <c oughs> ลาใจสงบนี้ใจไม่รับรู้เรื่องของลูกเสียงกิ่นรสผุดถ้าเลย <c oughs> นั่งกายนั่งม า, าอาจจะเกิดอาการเจ็บมันก็ก็ก็ไม่รับรู้ <c oughs> หรือถ้ามัน ถ้ามันอยู่ในอาการของสมาธิคือความสงบบางทีมันก็ยังรับรู้ได้อยู่ก็มียังรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดทพัสได้อยู่แต่ใจมันไม่วุ่นวายไปกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพัสที่มาให้รับรู้เพราะใจมันนิ่งมันสงบมันตั้งอยู่ในโอเบกขาโอเบขาก็คือการไม่มีอารมณ์ตอบตอบรับกับสิ่งต่างๆคือไม่มีความรักไม่มีความชางังไม่มีความยินดียินร้าย ไม่มีความกลัวไม่มีความหลงไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราแต่อย่างใดมันหายไปหมดตอนนั้นแหละเป็นเวลาที่ใจเราปลอดจากความทุกข์แต่พอเราออกมามารับลูกลูกเสียงกิ่นลดโผษสภาพใหม่มันสัญญาสังขารวิญญาณมันก็จะทำหน้าที่ตามเดิมมันรับรูปเสียงกลิ่นลดที่ดีมามันก็สร้างสุขเวทนาะ อเกิดสุขเวทนาก็เกิดสังขารความคิดอยากจะได้ขึ้นมาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาถ้าเจอรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญที่ไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาสังขารก็จะเกิดความอยากไม่ได้ขึ้นมาเรียกวิภาวะตัณหาแล้วพอเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ตามที่ใจอยากได้ใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเราเห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเราชอบเราอยากได้ พอเราไปเอามาเราเอามาไม่ได้อย่างี้เราก็เสียใจเป็นบางทีเราอยากได้ยศได้ตาแหน่งหรือบางคนก็อยากถูกกอตเตอรี่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความอยากนะความอยากที่อยากจะได้รูปเสียงจีนลดพธสภาที่ดีก็คือเวลาที่ถูกกอตเตอรี่มันเห็นเงินมันรู้จะได้รับเงินทองขึ้นมามันก็เลยเกิดความอยากแต่พอไม่ได้พอไม่ถูกปับใจมันก็เศร้า ใจมันก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่แหละคือเรื่องของของการทํางานของร่างกายและจิตใจของพวกเราที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับพวกเราอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะความไม่เข้าใจในเรื่องของของขันห้าว่ามันเป็นเรื่องที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนเหมือนกับดินฟ้าอากาศ ที่เราไปสั่งไม่ได้ว่าทุวันนี้จะให้ฝนตกหรือไม่จะให้แดดออกหรือไม่ <S <S มันมีเหตุมีปัจจัยทำให้มีฝน <S <S มีมีแดดมีเมฆ ม, มีอะไรต่างๆ <S <S แต่เราก็สามารถอยู่กับมันได้เพราะเรายอมรับความจริงของมันเรายอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่อยู่ในวิสัยของเราที่จะไปแก้ไขไปจัดการได้วันนี้จะฝนตกเราก็ยอมรับมันเราก็ไม่ทุกกับมัน ตอนนี้แต่จะออกเราก็ไม่ทุกข์กับมันเพราะเรายอมรับได้เพราะเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ <S <S เราก็เลยไม่ไปยุง่งกับมันแล้วคือเราไม่มีความอยากไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่เรารู้ว่าเราไปสั่งมันไม่ได้ไปทําให้มันเป็นไปตามความอยากเราไม่ได้นั่นเองอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาศึกษาให้เข้าใจอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้เข้าใจขันห้าของเรล่านี้ ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับกับขันห้าไม่อยากจะทุกข์กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ปล่อยวางรู้เฉยเฉยรู้ว่าตอนนี้มีสุขก็เวทนารู้ว่าตอนนี้มีทุกข์เวทนาแต่อย่าไปสร้างความอยากขึ้นมา หให้มีแต่ความรับรู้ให้มีแต่ความยินดีพอใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาไม่ต้องการมากไปกว่า น, นี้ไม่ต้องการไปให้มันหายไปไม่ต้องการให้มันมีเพิ่มมากขึ้นมันมีมาอย่างไรก็รับรู้มันไปอย่างนั้นถ้าเราสามารถทำใจให้เฉยๆเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของขันห้าได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์ วันนี้เราทุกข์เพราะเรารับกับการเปลี่ยนแปลงของขันห้าไม่ได้พอเราเกิดตัวอาการปวดท้องขึ้นมาเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอยากจะให้อาการปวดท้องหายไปถ้าไม่หายเราก็ยังก็จะทาให้เราทุกข์เรากังวลอยู่เพราะความอยากให้มันหายเราก็ต้องพยายามหาวิธีบางทีก็ไปหาหมอหายามารับประทานบางทีก็หายบางทีก็ไม่หาย เพราะโรคบางโรคมันก็รักษาได้โรคบางโรคมันก็รักษาไม่ได้พอเราไปเจอโรคที่รักษาไม่ได้เราก็ยิ่งทำให้เรายิ่งทุกข์ขึ้นมาใหญ่เพราะเรายังอยากให้มันหายนั่นเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยความรู้สึกของทางร่างกายที่มีทุกข์บ้างมีสุขบ้างนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกที่เราไม่ควรที่จะไปยุ่งกับมัน คือถ้าเราแก้ได้ก็ทำไปถ้าหายามากินให้มันหายได้ก็กินไปถ้าหายามาแล้วกินแล้วมันไม่หายก็ต้องทำใจอยู่กับมันไปต้องยอมรับว่าวันหนึ่งร่างกายมันก็ต้องเข้าสู่เวลาอันสิ้นสุดของมันคือมันต้องหยุดทำงานมันต้องหยุดหายใจไม่มีใครไปสั่งมันไปห้ามมันได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกกับร่างกายไม่อยากจะทุกกับความรู้สึกของเรา ไม่อยากจะทุกกับความสุขความความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเราก็ยอมรับมันไปว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนเช้าอาจจะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาตอนสายอาจจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาตอนกลางวันอาจจะเกิดไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมามันเป็นอย่างไรเราก็หัดรับรู้มันไปตามธรรมชาติของมันอันไหนที่เรายังพอที่จะ จัดการได้เราก็จัดการไปเช่นเวลาเกิดอาการหิวข้าวขึ้นมาทุกทุกเกิดทุกขเวทนาเกิดจากการหิวข้าวถ้าเราหาข้าวมากินได้เราก็หามากินถ้าหิวน้ำเราหาน้ำมาดื่มได้เราก็หามาแต่ถ้าเราเกิดไปอยู่ในภาวะที่หาไม่ได้เช่นไปหลงหลงอยู่ในกลางทะเลทรายไม่มีอาหารกินอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงเราก็ต้องทำใจทั้งนี้ ทำใจยอมรับกับมันเราก็จะไม่ทุก์กับความหิวความอุดยากขาดแคลนของร่างกายได้ใจเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายเป็นแต่ใจไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายแล้วก็เกิดอาการอยากจะให้ร่างกายมีอาหารกินอยากจะกําจัดทุกขเวทนาที่เกิดจากการไม่มีอาหารกินแต่ถ้าไปอยู่ในสภาพที่หาอาหารไม่ได้จะทำอย่างไร ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีกินก็ต้องไม่มีกินไปมันจะอดก็อดไปมันจะตายก็ต้องตายไปเพราะมันเป็นเรื่องของร่างกายที่เราห้ามมันไม่ได้วันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นกันทุกคนแต่ใจของเรานี้จะไม่ต้องทุกข์กับขันห้าไม่ต้องทุกข์กับเมทนาสัญญาสังขารวิญญาไม่ต้องทุกข์กับร่างกายได้ถ้าเราเข้าใจหลักของอนิจจัง ทุกขังอนัตตาว่าร่างกายขันห้านี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่ตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยจนพอมันอยู่ในท้องแม่ไม่ได้ก็คลอดออกมา แล้วมันก็จเจริญเติบโตต่อไปตามตามแนวทางของมันมันต้องจเจริญ เ, เวลาที่มันจ ะ, จะเจริญเติบโ ต, รตรก็ห้ามมันไม่ได้เวลาที่มันจะแก่จะชราก็ห้ามมันไม่ได้เวลาที่มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ห้ามมันไม่ได้เวลาที่มันจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากการฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่าเป็นความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแต่ความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนี้ยังอาจจะไม่มีกําลังพอที่จะไปห้ามไม่ให้ใจทุกข์กับมันได้ยังไม่สามารถวางใจเฉยๆได้เพราะใจยังไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการฝึกให้อยู่ให้อยู่เฉยๆอันนี้เราต้องกลับมา ฝึกสมาธิฝึกสติเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบเวลาใจนิ่งใจสงบแล้วใจจะเฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆได้ใจจะมีอเบขาจะไม่จะไม่ดีใจเสียใจจะไม่มีความอยากให้สิ่งที่ดีอยู่กับเรานานๆนละไม่มีความอยากให้สิ่งที่ไม่ดีมันไม่ปรากฏหรือให้มันหายไปถ้าเราฝึกจิตทำสมาธิอยู่เรื่อยๆ ต่อไปิตของเรานี้จะวางเฉยได้จะปล่อยวางได้พอเราปล่อยวางได้และเวลาเรามาเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเปลี่ยนแปลงของของเวทนาเราก็จะได้ใช้ปัญญาและใช้สมาธินี้มาสอนใจให้ปล่อยวางให้อยู่เฉยๆอย่าไปอยากตัวอยากนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็อย่าไปอยากต่อให้ร่างกายเป็นอะไรถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่เป็นเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าเราอยากให้มันหายเช่นมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บล้วอยากจะให้มันหายเร็วๆพอมันยังไม่หายมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานใจความทุกข์ทรมานใจนี้ไม่ได้อยู่ที่ขันห้าขันห้ามันก็เป็นไปตามปรากฏการณ์เหมือนดินฟ้าอากาศ มันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปตามเรื่องของมันแต่มันมันจะไม่ทำให้ใจเราทุกข์ได้ถ้าใจเรารู้จักปล่อยวางรู้จักว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้ไปไปแก้ไขไปดัดแปลงไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของขบวนการที่มันเดินไปตามขบวนการของมันเราใจที่มารับรู้มาเกี่ยวข้องกับร่างกายกับขัน ทั้งห้า น, นี้ก็ให้รู้เฉยๆไปเท่านั้นเองเวลาเกิดสุขเวทนาก็รู้เฉยๆไปอย่าไปอยากให้มันสุขไปนานๆเพราะเวลาสุขเวทนาเปลี่ยนไปหายไปกลายเป็นทุกขเวทนามันก็จะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเจอทุกขเวทนาก็อยาาไปอยากให้มันหายไปเพราะเวลาอยากให้มันหายแล้วมันไม่หายมันก็จะทำให้ใจทุกข์อีกเหมือนกัน ยันต้องฝึกใจให้นิ่งให้สงบให้เฉยเฉยให้รู้เฉยอยู่เฉยเฉยให้ได้ถ้าเราฝึกสมาธิบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปใจเราจะเฉยเวลาออกจากสมาธิมาก็จะเฉยได้ชั่วระยะหนึ่งเพราะสมาธินี้มันเป็นของชั่วคราวความสงบเวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆความสงบ ก, ก็ยังมีอยู่ในใจมันก็ยังทําให้ใจเฉยเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้ แต่พอสักพักหนึ่งเวลาผ่านไปกำลังของสมาธิมันหมดไปใจก็เริ่มไม่เฉยแล้วเพราะกำลังของความอยากมันเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วกำลังของกิเลตตันหาความอยากโผล่ขึ้นมามันก็ทำให้ใจร้อนขึ้นมาได้ใจทุกข์ขึ้นมาได้ถ้ามันร้อนแล้วเราก็ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ถ้าเราต้องการให้ใจเย็นไม่ให้ใจทุกข์กับอะไรเวลาที่เรา ถ้าเราเข้าสมาธิไม่ได้บางช่วงเราก็ต้องใช้สติเป็นตัวช่วยทําให้ใจนิ่งๆเฉยๆเช่นใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาที่เราไปทุกข์ร้อนกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเรารู้ว่าเราไปเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันทําให้ใจเราทุกข์ใจเราร้อนถ้าเราเข้าสมาธิตอนนั้นไม่ได้หลบไปนั่งสมาธิไม่ได้ก็ใช้สติใช้คําบริกรรมไปในใจเรื่อยๆพุทโธพุทโธไป อย่าไปรับรู้เรื่องราวที่ทำให้เราทุกข์อพอเราไม่ไปรับรู้แล้วความอยากก็จะไม่เกิดพอความอยากไม่เกิดความทุกข์ก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเราหยุดบริกรรมเมื่อไหร่มันก็จะกลับไปรับรู้แล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่มเราก็ต้องใช้วิธีที่สองถ้าเราอยากจะทำให้ใจสงบไม่ร้อนทำให้ใจเย็นในขณะที่ออกจากสมาธิแล้วเวลาไปเจอเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดความรุ่มร้อนใจ เราก็ต้องใช้ปัญญาเนี่ยใช้ปัญญาที่เราเรียนรู้นี่ว่าสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันมีดีมันมีไม่ดีสลับกันไปสลับกันมาเวลาเราเจะไปเจอของไม่ดีเราก็ต้องเฉยๆไปอย่าไปอยากให้มันหายไปเพราะเราสั่งให้มันหายไม่ได้ห <c oughs> รือเวลาเราไปเจอของที่ดีเราก็จะอยากให้มันอยู่เป็นานๆนก็ไม่ได้ ะเะ๋วมันก็เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปมันก็หมดไปได้<ม>ถ้าเรามีปัญญาถอนใจให้รู้ว่าเราต้องอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่เราบางรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจคือความรู้สึกทุกข์สุขไม่สุขให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไป<ม>ดีขนาดไหนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเร็วขนาดไหนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ไปมีความอยาก ให้มันเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้รู้เฉยๆใจเราจะไม่ทุกข์กับมันเหตุการณ์จะดีเราก็ไม่ทุกข์เหตุการณ์ไม่ดีเราก็ไม่ทุกข์เราจะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนและการที่เราจะรู้เฉยๆได้เราก็ต้องฝึกสมาธิให้มากๆให้ใจเรามีอุเบกขาให้มากๆพออยากสมาธิมาพอใจเริ่มไปสัมผัสอะไรแล้วทาให้ใจทุกข์ขึ้นมา ก็ให้ใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราทําให้เราทุกข์นี้เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราอย่าไปทุกข์กับเขาได้ด้วยการอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยอมรับเขาว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้ก็รับเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้ตอนนี้เขาเป็นอย่างนั้นก็ยอมรับว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่าไปอย่าไปพยายามเปลี่ยนเขาแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ วันไหเราวันไหนเจอคนที่เรารักเขาเช่าขาดีกับเราเราก็อยากให้เขาดีไปเรื่อยๆพอเขาไม่ดีมันก็จะทําให้เราทุกใจได้เราก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็เปลี่ยนแปลงได้บางวันเขาก็มีอารมณ์ดีบางวันเขาก็มีอารมณ์ไม่ดีได้เปลี่ยนเปลี่ยนได้เวลาเขาเปลี่ยนเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาเคยดีกับเราวันนี้คนดีเขากลับมาไม่ดีกับเราก็ได้เราต้องเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราห้ามเขาไม่ได้ เข้าใจไหมเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ห้ามการเปลี่ยนแปลงของเขาไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็รักษาใจเราไม่ให้ทุกข์ได้เท่านั้นเองด้วยการอย่าไปมีความอยากให้เขาดีกับเราไปตลอดเราต้องคิดว่า เ, ออเขาอาจจะเปลี่ยนได้วันนี้อาจจะดีพรุ่งนี้เขาอาจจะไม่ดีก็ได้ อ, อถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนรู้ทันเวลาเขาเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทําใจได้ทัน เราก็จะเฉยๆได้ทันว่าอ๋อนี่มันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับแม้แต่ตัวเขาเองเขาก็บังคับตัวเขาเองไม่ได้ตัวเขาเองเขาก็อยากจะให้มันดีทุกวันแต่บางทีทำไมเขาไม่ดีขึ้นมาก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยไปทำให้เขามีความรู้สึกไม่ดีเขาก็มีความรู้สึกไม่ดีเขาก็อะไรคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีออกมาทนั้นเอง อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะที่เรามาสัมผัสรับรู้ไม่ว่าความรู้สึกภายในใจของเราความรู้สึกนกคิดสุ ข, สขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็เกิดความอยากไม่อยากขึ้นมาแต่สิ่งที่เราควบคุมบังคับได้ก็คือความอยากของใจเหล่านี้สังขารความคิดปรุงแต่งนี้ ถ้าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องป้อนให้กับสังขารว่าสิ่งต่างๆมันเป็นอย่างนี้หรือเราไปห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกเราอย่าไปอยากสอนสังขารให้อย่าไปสร้างความอยากขึ้นมาเห็นของดีก็อย่าไปอยากได้เพราะบางทีอยากได้แล้วมันไม่ได้ก็จะทำให้เสียใจหรือถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปหรือมันหมดไปก็จะทาให้ทุกข์ใจอยู่ดี เพราะไม่มีอะไรที่จะดีไปตลอดเสมอไปมีได้ระยะหนึ่งแ้วเดียวมันก็เปลี่ยนไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ต้องสอนสังขารว่าอย่าไปสร้างความอยากขึ้นมาในใจอย่าไปอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นนี้อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้ร่าให้รวยไปตลอดอยากใช่คนเขารักเราเขาชอบเราไปตลอดเนีอันนี้เป็นการมองไม่เห็นความจริง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากนั้นมันเปลี่ยนไปได้เสมอถอนใจเพื่อมันจะได้หยุดความอยากเพราะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใครเราเป็นผู้ทุกข์ก็ใจเรานี่แหละใจเรากินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาที่เกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาความทุกข์ใจหรือความไม่สบายใจนี้ก็เกิดจากความอยากของเราไม่ได้เกิดจากการที่เราไปสัมผัสรับรู้สิ่งต่าง ที่อาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปสลับกันมาแต่สิ่งที่มาทําให้ใจเรากินไม่ได้นอนไม่หลับทําให้เราทุกข์กวนกวายกระสรับกระสายหรือเครียดหรือซึมเศร้านี้มันเกิดจากความอยากของเราเท่านั้นเองที่เราต้องสอนใจให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่มาทําให้เราทุกข์ทำให้เราเครียดนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราไปสัมผัสรับรู้ถ้าเรา วางเฉยๆถ้าวางใจเฉยๆได้สิ่งที่เราไปสัมผัสรับรู้นี้ราไม่สามารถมาทำใจของเราให้เครียดให้ทุกข์ได้แต่ปัญหาก็คือเราทำใจไม่ได้กันใจเรามักจะมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่เราไปสัมผัสรับรู้พอไปสัมผัสรับรู้สิ่งที่เราชอบสิ่งที่ดีเราก็อยากได้ขึ้นมาอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆพอมันไม่เป็นไปดังตามที่เราต้องการพอมันเปลี่ยนไปมันก็ทาให้เราเศร้า หรือเวลาเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอมันไม่หายมันก็ทําให้เราทุกข์ทำให้เราเครียดเราต้องยอมรับว่าสิ่งต่างๆมันจะเป็นอย่างไรมันจะดีจะชั่วจะอยู่นานหรือไม่นานนี้เราเป็นเราไปกําหนดไม่ได้เราไปควบคุมบังคับไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมบังคับได้ก็คือความทุกข์ของใจเราถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เราก็หยุดความอยากของเราแล้วก็หัดอยู่กับความจรงิงความจริงเป็นยังไงเราก็อยู่กับมันไปตอนนี้คนไม่ชอบเรารอยู่กับคนที่ไม่ชอบเราก็าอยู่ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะไม่ชอบเราเราเป็นสั่งให้เขาชอบเราก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ฉลาดตอนนี้เราคิดทางทางปัญญาว่า ไอ้คิดว่าดีแล้วถ้าเขาไม่ชอบเรายังเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ทุบตีเราถ้าเขาทุบตีเราก็ดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีจะได้จบจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปมองอย่างนี้แล้วเราก็จะทําใจให้เป็นอุเบกขาได้ทําใจเฉยๆได้แต่วิธีที่จะทําใจใเราให้เฉยได้ดีที่สุดก็คือการฝึกสมาธิ ฝึกสมาธิให้เข้าไปในอัปปนาสมาธิเข้าไปในฌานรูปฌานขั้นที่4ที่จิตนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้มีมีแต่อุเบกขาเป็นอารมณ์ตอนนั้นจิตจะนิ่งเฉยยังไม่มีปฏิจิัยยากับอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงถ้าฝึกให้เข้าสมาธิในขั้นนั้นได้เวลาออกมาแล้วถ้าเรามีปัญญาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยว ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่มีใครมาควบคุมบังคับมาสั่งให้มันเป็นไปตามตามใจเราได้พอเรารู้อย่างนี้เราก็จะได้ทำใจให้เฉยเฉยได้ใครด่าก็เฉยเฉยได้ใครชมก็เฉยเฉยได้ไม่ไม่ดีใจเวลาที่เขาชมเราเพราะเพราะเรารู้ว่ามันไม่มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็จบเขาชมเราเดี๋ยวเดียวเดี๋ย ว, ยวมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอคนอีกคนเข้ามาด่าเราแทนก็ได้ เห็นสิ่งเหล่านี้เราควบคุมมั่งคับไม่ได้เราจึงไม่ควรไปยินดีินร้ายกับมันถึงแม้มันจะดีเราก็ไม่ควรตัวยินดีเพราะยินดีแล้วมันจะยึดติดพอยึดติดแล้วพอมันไม่ได้มันสูญเสียไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ได้เห็นเราอย่าไปยินดียินร้ายกับอะไรอย่าไปมีความอยากกับอะไรให้อยู่กับความจริงวันนี้ฝนจะตกก็อยู่กับมันไปแดดออกก็อยู่กับมันไปน้าท่วมก็อยู่กับมันไป ทำไรายได้ก็ทำไปตามกำลังของเราท ำ, ทำในส่วนของเราได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ทำใจยอมรับกับสภาพไปถ้าเรายอมรับกับสภาพได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์นี่แหละคือสิ่งที่ พ, พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้ได้ทรงเห็นว่าขันห้าของเราเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่ขันห้าหรอกแต่การที่เราไปหลงกับขันห้า การที่เราไปคิดว่าเราสามารถควบคุมบังคับขันห้าได้เช่นควบคุมบังคับร่างกายของเราได้ควบคุมความรู้สึกนึกคิดของเราได้มันมันเป็นความเข้าใจผิดเพราะความเป็นจริงแล้วเราจะไม่สามารถควบคุมบังคับมันได้ตลอดเวลาร่างกายเราบางเวลาเราก็ควบคุมบังคับได้เช่นให้มันเดินให้มันยืนให้มันนั่งให้มันทําอะไรนี้ก็พอจะควบคุมได้ แต่เวลามันที่มันเจ็บขึ้นมานี่ไม่สบายขึ้นมานี่เราควบคุมไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีรักษามันไปเท่านั้นเองให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเราไปไปห้ามมันไม่ได้ถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยวางรู้เฉยๆไปเพราะวันหนึ่งเราก็ต้องแยกออกจากกันขันห้ากับเราก็จะแยกออกจากกันไปร่างกายก็จะกลับคืนสู่ดินน้าลมไฟไป ใจถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่สิ้นกิเลสก็ยังจะไปต่อยังมีขันธ์สี่ติดไปด้วยมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารมีญาณมีเวทนาสัญญาสังขารมี ญ, ญาณญญญญติดไปกับใจแต่ตอนนั้นยังจะไม่ได้ทํางานเพราะต้องมีต้องไปเชื่อมกับร่างกายก่อนพอมีร่างกายแล้วก็จะเริ่มทํางานใหม่ไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ก็ไปทุกกับขันห้าใหม่ไปทุกกับสิ่งที่ขันห้ามาให้ ให้สัมผัสรับรู้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผดทปะชนิดต่างๆทางที่ดีก็หยุดความอยากเสียให้ได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีอะไรผังดันให้ใจไปเกิดอีกต่อไปไปมีร่างกายพอไม่มีร่างกายก็ไม่มีขันห้าไม่มีอะไรที่ต้องมารับรู้ที่จะทำให้ต้องเกิดความทุกข์ใจอีกต่อไปทุกข์ก็จะไม่เกิดสับผู้ที่ไม่เกิดแล้ว ผู้ที่ยังไม่เกิดก็ต้องหยุดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการยอมรับสิ่งต่างๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายอมอยู่กับมันไปอย่าไปเปลี่ยนมันอยู่หัดอยู่กับมันไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่มีความอยากเราก็ยังไม่มีอะไรที่จะพาให้เรามากลับมาเกิดเด็กต่อไปนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้เพื่อมาแก้ปัญหาปัญหาของพู้เราก็คือเราไม่เข้าใจเราไม่รู้เรื่องของขันห้าที่เราอ ย, อยู่ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิด แล้วไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเราก็เลยมักจะทุกกับมันไปเรื่อยๆถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติก็คือต้องรู้จักปล่อยวางรู้จักทําใจให้สงบฝึกสมาธินั่งสมาธิบ่อยๆให้ใจมีโมเบกขาแล้วพอมารับรู้เรื่องของขันห้าเวลาที่มันเป็นอะไรไปแล้วเราห้ามมันไม่ได้เราก็ทําใจเฉยๆไปแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน น, นี่คือประโยชน์ของการมาฟังเทศฟังธรรมที่จะมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปูราปาริปุเลนติสาคลังเอ ว, มวเมวะอิโตทินงังเตตานังปกัปติอิชิตังปัิตังตุมหังคิบะเมวะสมิจจโต สัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธาญาณิเจติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพะโรโขวินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะ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 ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทางยูทูบอันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังทำนันนากุูดจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ451ท่านค่ะ YouTube พระสุชาติไ i v e 287 YouTube Dr. V 69 c l ับ h o u s e 5วิทยุออนไลน์16นากุูด200รวมทั้งหมด 1,028 ท่านค่ะมีชาวต่างชาติ Would you like to ask any question? ม o น o ิน t h e have a microphone for you Yeah. yeah. Ride right behind her. r right i behind. Her. Okay. Go ahead. Stay louder. Okay. For people who are, um, you know, batyabat or practicing, it's very helpful to be quiet while working. One thing that you know I encountered while working after having returned to lay life is. People in America like don't understand. If you want to be very quiet, I also have another friend who likes to b a t i bat for practice, and he said the same thing. Like it's most people don't understand, mm. and uh, one thing that has worked is just to try to explain to my coworkers. It's not about you. Like just try to explain it very uh, respectfully. Do you have any advice? Well, you have to look at Dhamma. As like a uh, nuclear physics, nuclear physics is not easy for most people to understand. Yes. You have to be quite smart or intelligent to appreciate the teaching of the Buddha. So don't try to convince them, make them understand. They don't understand because it's a different, different way of looking at life. So. You, you either see it or you don't see it. If you don't see it, then you don't understand. But if you see the impermanent nature of life, then you'll understand why you want to do the Dharma practice. So this is normal. Usually, eventually, you w l l want to be with people around you who do the same thing, l i o e ordaining and as a monk. And. Otherwise, even the Buddha had to leave the palace. Because no one would understand yeah. what he experienced inside himself, the peace and calm of mind. And people think that in order for you to be happy, you have to have lots of things, right? Yeah. But those things t h e t only give you brief happiness, and they can make you more dissatisfied, more discontent. But with the practice of meditation, it calms your mind, it s u i t s your mind. Make your mind peaceful and calm and happy, and give you a contentment. So this is something you have to to to understand and try try to not get overwhelmed by other people's reaction to you. The Buddha said, try to associate with people with like like people. Yeah. Don't don't associate with people who are different from you. That's why you have to go live in the monastery. <laughs> If you work, you should only work for as a goal, maybe for a, for a certain period of time, and then once you finish that goal, then you should seek ordination. Instead. But it's not easy either. When you ordain, you still have defilement that wants you to go back to the world again. Mm -hmm. So you have to practice very hard, especially mindfulness. Because mindfulness can stop your thoughts, can stop your craving temporarily. Then you can stay in the monastery and practice meditation. What have you planned for for the rest of your time here? What What did o say like t h o w long you you, you r e going to stay in Thailand? I plan to stay here long term. Right, y okay. yeah, long term. Do so you plan to go to stay in some monastery? Yes, sir. Yes. Mm -hmm. If you like d l to stay with us, you can. But you have to talk to one of on the monks. Look u t look at the place. Have you gone see the place on the mountain yet? I've not seen it yet. No. Mm -hmm. You want to see? We have somebody who will take step up after this t a l k okay. You can accompany them if you like. Thank you. Okay. Thank you. แก้วเดี๋ยวชาวต่างชาตินี้ก็อยากจะขึ้นไปบนเขาดูเดี๋ยวฝากขึ้นไปด้วยนอะแล้วที่เราอัปเดตในตอนนั่นนั่นเราจะ finish with this meeting ครับโอเคคำถามจากผู้รับฟังนะ้ากูดค่ะคำถามแรกสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายไม่ใช่ตนไม่ใช่ของของตนหมายถึงอะไรครับ ธรรมชาติไงของธรรมชาติไม่ใช่ของใครไม่มีตัวตนไม่มีใครมาเป็นเจ้าของไม่มีใครมาควบคุมบังคับให้มันเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของธรรมชาติคําถามที่สองค่ะความไม่ประมาทในธรรมในสามข้อมงคลลสูตรหมายถึงอะไรครับก็คือให้ทําลยถ้าไม่ทํำก็ถือว่าประมาทถ้าทําก็ไม่ประมาท คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะการทําสมาธิถือเป็นการทําบุญหรือไม่คะก็เป็นบุญอย่างหนึ่งบุญคือความสุขใจเอ็นใจซึ่งมีสมระดับด้วยกันสุขใจเอ็นใจจากการทําบุญทําทานให้ทานระดับที่สก็สุขใจด้วยการรักษาสี่งระดับที่สก็สุขใจด้วยการฝึกสมาธินั่งสมาธิระดับที่สี่ก็ บุญที่เกิดจากการมีปัญญาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะรู้กับคิดมันต่างกันอย่างไรครับเราจะรู้ตัวเองได้อย่างไรว่าตอนนี้เรารู้รู้อารมณ์เฉยๆหรือเรากำลังคิดอยู่ครับคิดก็ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ทิ่ยาอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีอรียกาความคิด ถ้ารู้ก็รู้เฉยๆเช่นเห็นใครก็รู้เฉยๆไม่ได้ไปที่ว่าเขาเป็นนู่นเป็นนี่ให้รู้เฉยๆไปคำถามจากทาง u t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะสามารถอยู่ได้คนเดียวโดยไม่ต้องไปยึดมั่นใครๆหรือยึดติดกับใครๆคะต้องมีความสุขจากการนั่งสมาธิ ถ้าเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิได้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครให้เขามาให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขในใจเราเราก็หิวอยากจะมีความสุขเราก็ต้องไปหาคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะคนที่บรรลุพระโสดาบันแล้วเขาจะยังแขวนพระเช่นเหรียญ เ, เหรียญของหลวง อย่างเช่นเหรียญของพ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหรือซื้อลอตเตอรี่อยู่หรือเปล่าครับ เ, เขาไม่ไม่ทำหรอกนอกจากเขาเล่นละครให้เราดูเขาอาจจะเป็นกิริยาทําไปอย่างนั้นเองแต่เขารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อย่างไดแต่ไม่ไม่ทำนะพูนโดยทั่วไปแต่ในบางกรณีเขาอาจจะทําไปเพื่ออะไรบางอย่างก็ได้นะนี่ไม่ทราบแต่เขาไม่ได้ทำเพราะว่าเขาเขายึดติดกับมันครับเขาไม่ได้ยึด วัตถุมงคลต่างๆเป็นสารณะต่อไปเขามีสารณะที่พึ่งทางใจก็มีมีปัญญาคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะพรหมโรคมีธาตุสี่ไหมเจ้าคะไม่มีหรอกธาตุสี่มีแค่โลกของมนุษย์และสัตว์เนราชาเท่นั้นค่ะคำถามพรหมโลกก็มีแค่ธาตุารู้อย่างเดียว เทวโลกก็มีแต่ธาตุรู้อย่างเดียวหรือนรกก็มีแต่ธาตุรู้อย่างเดียวช่วงนั้นช่วงที่คนตายมาก็จะเหลือแต่ธาตุรู้ถ้ารู้ก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าได้บําเพ็ญบุญมาถ้าบําเพ็ญบาปทําบาปมาก็ไปอยู่ในอบายชั้นต่างๆคําถามจากทาง Facebook ค่ะ ชาวพุทธหลายๆท่านเชื่อว่าการได้ไปร่วมงานบุญกรถิ่นหลายๆที่ถือว่าได้บุญมากจริงหรือไม่ครับแะการางดเว้นทานเนื้อสัตว์ถือว่าเป็นบุญหรือไม่ครับการทานเนื้อสัตว์ไม่ไม่ทานเนื้อสัตว์นี้ไม่ได้เป็นบุญแต่อย่างใดการไม่ฆ่าสัตว์ถึงจะเป็นบุญการไม่ทานเนื้อสัตว์ถ้าเป็นบุญพวกวัวควายมันก็ได้บุญมากกว่าคนคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเป็นยังไงคะรู้เฉยๆดูแลไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรให้รู้เฉยๆคาถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะตายแล้วเกิดเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นพบที่ไม่ต้องมีร่างกายก็เกิดเลยถ้าตายแล้วถ้าจิตเป็นเปรตก็ไปเป็นเปรตเลยถ้าจิตเป็นเทวดาก็ไปเป็นเทวดาเลย แต่ถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษเด็กก็ต้องรอให้พ้นจากเศหรือพ้นจากเทวดาก่อนแล้วถึงจะมารอทิวรับร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่คำถามจากทางเฟซบุ๊ก ค, ค่ะตอนที่บริกรรมพุทโธต้องนึกพุทโธเป็นอักษรนไหมครับไม่ต้องหรอกเพียงแต่ให้รู้ว่าเราอยู่กับคําพุทโธพุทโธไปเท่าไรก็พอคําถามจากทางเฟซบุ๊ก ค, ค่ะ นั่งได้ประมาณ45นาทีแล้วปวดขาทนไม่ได้ก็ลุกขึ้นเลยแล้วกลับมานั่งต่อไม่ได้ด้วยครับมันเบื่อไม่อยากนั่งผมก็ต้องท่องคําบริกรรมนะครับแต่สู้ความเจ็บปวดและความเบื่อไม่ไหวช่วยแนะนําหน่อยครับต้องฝึกคําบริกรรมให้บ่อยๆให้มากๆขึ้นฝึกตอนก่อนที่เรามานั่งเราฝึกได้ทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ฝึกบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆพอเวลาเรานั่งแล้วเราก็จะมีกําลังมากขึ้น เวลาเกิด อ, อาการเจ็บปวดเราก็สามารถใช้คำบริกรรมช่วยให้จิตเราสงบได้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าฝึกสติได้ทั้งวันทั้งคืนนี้อบรรลได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนและเจ็ดปีความสำคัญที่สุดก็คือสติเพราะสติเราจะสามารถใช้หยุดความคิดได้หยุดกิเลสได้ หมดแล้วเหรอคะตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะมีมีใครอยากจะถามอีกไหมก่อนจะปิดประชุมแล้วเดี๋ยวปิดเลยอย่ามาถามนะเพราะว่าไม่สะดวกแล้วถ้าไม่มีก็เอาท่านี้ก่อนแล้วโอกาสหน้าค่อยมาว่ากันมีอีกคำถาอ่ายังมีขอโทษค่ะคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะการปฏิบัติให้ได้อัปนาสมาธิต้องทำอย่างไรคะเราต้องนั่งนั่งให้มีสติตลอดเวลา